สธิจริยาเก้าอธิบายว่าด้วยสมาธิเจริยาเก้าเป็นอย่างไรเพือปฐมฌานชื่อว่าสมาธิจริยาทุติยฌานชื่อว่าสมาธิจริยาตติยฌานชื่อว่าสมาธิจริยาจตุทัฌานชื่อว่าสมาธิจริยาอากาสานัญจาตนะสมาบัติวิญญาณัญญาตนะสมาบัต อากินจัญญาญตนาสมาบัติเนวสัญญานาสัญญาญาตนาสมาบัตชื่อว่าสมาธิเจริยาวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาจิตเพื่อได้ปฐมฌานวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาจิตเพือ่อได้เนว ant, สัญญานาสัญญาญาตนาสมาบัตชื่อว่าสมาธิเจริยาด้วยสมาธิเจริยาเก้านี้ คำว่าวสีอธิบายว่าวสีห้าประการได้แก่หนึ่งอาวัชนาวสีชำนาญในการคํานึงถึงสองสมาปัชนาวสีชำนาญในการเข้าสอธิฐานาวสีชำนาญในการอธิษฐานสี่วุฒานวสีชำนาญในการออกหปัจเวคนาวสี ชำนาในการพิจารณาสมาปฏิลาภีบุคคลบุคคลผู้ได้สมาบัติคานึงถึงปฐมฌานที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนื่อช้าในการคานึงถึงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาวชนาวสีสมาปฏิลาภีบุคคลผู้เข้าปฐมฌานที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ นานเท่าไหร่ก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในการเข้าเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสมาปัญญาวสีสมาปฏิลาภีบุคคลอธิษฐานปฐมฌานที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในการอธิษฐานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอธิฐานาวสี สมาปฏิลาภีบุคคลออกจากปฐมฌา น, นที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนื่นช้าในการออกเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอุทธานวสีสมาปฏิลาภีบุคคลพิจารณาปฐมฌานที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนื่นช้าในการพิจารณาด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่า ปัจเเวคณาวสีสมาปฏิลาภีบุคคลคำนึงถึงทุติยชาญคำนึงถึงเนวสัญญานาสัญญาญาตนณสมาบัติที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในการคำนึงถึงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาวัชนาวสีสมาปฏิลาภีบุคคลเข้าอธิฐานออกพิจรารณา เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนื่อช้าในการพิจารณาด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัจจเวคนาวสีวสีห้าประการนี้ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า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 ปัญญาในการทําความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไปของผู้มีสัมปชัญญะชื่อว่าปรินิพานญาณเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้มีสัมปชัญญะในศาสนานี้ทําความเป็นไปแห่งกลามชันทะให้สิ้นไปด้วยเนื้อขมมะทําความเป็นไปแห่งพยาบาทให้สิ้นไปด้วยอัพยาบาททําความเป็นไปแห่งเีนมิทะให้สิ้นไปด้วยอาโลกสัญญา ทำความเป็นไปแห่งอุทจจะให้สิ้นไปด้วยอวิคเขปะทำความเป็นไปแห่งวิจิกิจฉาให้สิ้นไปด้วยธรรมววัฏฐานแห่งอวิชชาให้สิ้นไปด้วยญาณแห่งอารติให้สิ้นไปด้วยปามุชะแห่งนิวรนให้สิ้นไปด้วยปโธมฌานทำความเป็นไปแห่งกิเลสทั review, ท้งปวงให้สิ้นไปด้วยอรหัตมักอีกประการหนึ่งความเป็นไปแห่งจักรโนี้ ของบุคคลผู้มีสัมปชัญญะผู้ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสาริพานธาตุย่อมสิ้นไปและความเป็นไปแห่งจักขคู่อื่นย่อมไม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งโสตะความเป็นไปแห่งคานะความเป็นไปแห่งชิวหาความเป็นไปแห่งกายความเป็นไปแห่งมโนนี้ของบุคคลผู้มสีสัมปชัญญะผู้ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสาริพ า, า, า, านธาตุย่อมสิ้นไป และความเป็นไปแห่งโมโนอื่นย่อมไม่เกิดขึ้นปัญญาในการทำความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไปของบุคคลผู้มีสัมปชัญญะนี้ชื่อว่าปรินิพานญาณชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการทาความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไปของผู้มีสัมปชัญญะชื่อว่า ปริณิพนญา น, านปริณิพนญานนิเทศที่สามสิบห้าจบสาสิหสมะสีสัทธยานนิเทศแสดงสมะสีสัทธยานปัญญาในความไม่ปรากฏแห่งธรรมทั้งปวงเพราะตัดขาดโดยชอบและดับไปชื่อว่าสมะสีสัทธยานญาณในอัตแห่งธรรมที่สงบและเป็นประธานเป็นอย่างไร คือคาว่าทำทั้งปวงได้แก่ขันห้าอายตนะสิบสองาสิบแปดกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธ ร, รรมกามาวจรธรรมรูปาวจรธรรมรูปาวจรธรรมอัปริยาปันนธรรมคาว่าเพราะตัดขาดโดยชอบอธิบายว่าพระโยคาวจรย่อมตัดกลามฉันทะขาดโดยชอบด้วยเนคขมมะ ตัดพยาบาทขาดโดยชอบด้วยอภยาบาทตัดทีนมิทะขาดโดยชอบด้วยอาโลกัสัญญาตัดอุทจจะปุกุจจะขาดโดยชอบด้วยอวิคเผปะตัดวิจิขิชาขาดโดยชอบด้วยธรรมววัฏฐานตัดอวิชชาขาดโดยชอบด้วยยานตัดอรติขาดโดยชอบด้วยปาโมชะตัดนิวันขาดโดยชอบด้วยปฐมฌาน กิเลสทั้งปวงขาดโดยชอบด้วยอรหัตมรักคำว่าดับไปอธิบายว่าพระโยคาวจรดับกามฉันทะได้ด้วยเนยคขมะดับพยาบาทได้ด้วยอัพยาบาทดับถีนมิธะได้ด้วยอารมะสัญญาดับอุถัจจ์ได้ด้วยอวิเคปะดับวิจิกิจชาได้ด้วยธรรมววัถฐานดับอวิชชาได้ด้วยยาน ดับอรารติได้ด้วยปาโมชฌดับนิวรณได้ด้วยปโมฌานดับกิเลสทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมักคำว่าไม่ปรากฏอธิบายว่าเมื่อพระยยคาวจรได้เนีย่ยธรรมะกามฉันทะย่อมไม่ปรากฏเมื่อได้อภยาบาทพยาบาทย่อมไม่ปรากฏเมื่อได้อโลกสัญญาถีนมิทะย่อมไม่ปรากฏเมื่อได้อวิเคเปะ ปุธั จ, จะย่อมไม่ปรากฏเมื่อได้ธรรมะววัตฐานวิจิกิจชา ย, ย่อมไม่ปรากฏเมื่อได้ยานอวิชา ย, ย่อมไม่ปรากฏเมื่อได้ปามุชะอรติย่อมไม่ปรากฏเมื่อได้ปถมชาญ น, นิวรย่อมไม่ปรากฏเมื่อได้อรหัตมักกิเลทั้งปวงย่อมไม่ปรากฏคำว่าสงบอธิบายว่าเนคขมะชื่อว่าสงบ เพราะละปามฉันทะได้แล้วอภยบาชื่อว่าสงบเพราะละพยาบาทได้แล้วอารุกสัญญาชื่อว่าสงบเพราะละถีนมิทะได้แล้วอวิคเาพชื่อว่าสงบเพราะละอุทจจะได้แล้วธรรมววัฏฐานชื่อว่าสงบเพราะละวิจิกิจชาได้แล้วญาณชื่อว่าสงบเพราะละอวิชาได้แล้วปามชชะชื่อว่าสงบ เพราะละอารติได้แล้วปถมชาญชื่อว่าสงบเพราะละนิวรได้แล้วอรหัตมักชื่อว่าสงบเพราะละกิเลทั้งปวงได้แล้วคำว่าเป็นประธานอธิบายว่าทำเป็นประธาน13ประการได้แก่ 1. ตัณหามีความกังวลเป็นประธาน 2. มานะมีความพัวพันเป็นประธาน สามทิฏฐิมีความยึดถือเป็นประธาน 4. อุทจจะมีความฟุ้งซ่านเป็นประธาน 5. อาอวิชามีกิเลสเป็นประธาน 6. กศรัทธามีความน้อมใจเชื่อเป็นประธานเจ็ดวิริยะมีความประคองไว้เป็นประธาน 8. สติมีความเข้าไปตั้งมั่นเป็นประธานเก้าสมาธิมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นประธานสิ ปัญญามีความเห็นเป็นประธานสิอดชีวิตินทรียีมีความเป็นไปเป็นประธานสิองวิโมกมีอารมณ์เป็นประธานสิบสนิโรธมีสังขารเป็นประธานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความไม่ปรากฏแห่งธรรมทั้งปวง เพราะตัดขาดโดยชอบและดับไปชื่อว่าสมศสีสัทธญาณสมศรีสัทธญาณ น, นิเทศที่36กจบส7สเันเลขาตญาณนิเทศ แสดงสันเลขาตยานปัญญาในสภาวะแต่ละอย่างสภาวะต่างๆสภาวะเดียวและเดชชื่อว่าสันเลขาตยานยานในอาจแห่งธรรมเครื่องผัดเกลา้าเป็นอย่างไรคือคำว่าสภาวะแต่ละอย่างอธิบายว่าราคะความกําหนัดเป็นสภาวะอย่างหนึ่งโทสะความประทุษร้ายเป็นสภาวะอย่างหนึ่ง โมหะความหลงเป็นสภาวะอย่างหนึ่งโปทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมัคคะความลบหลู่ปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัชริยะความตรหนีมายามานยาสาเถยะความโอ้อวดธรมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข็งดีมาณะความถือตัวอติมาณะ ความโดมิ่นท่านมะทะความมัวเมาปมาทะความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงกรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงเป็นสภาวะอย่างหนึ่งคำว่าสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวอธิบายว่ากรมฉันทะชื่อว่าสภาวะต่างๆเนคขมะชื่อว่าสภาวะเดียว พยบาชื society, mankind, ่อว่าสภาวะต่างๆอภยบาตชื่อว่าสภาวะเดียวทีนามิทะชื่อว่าสภาวะต่างๆอโลกะชัญญาชื่อว่าสภาวะเดียวอุทจจะชื่อว่าสภาวะต่างๆอวิเคปะชื่อว่าสภาวะเดียววิจิกิชาชื่อว่าสภาวะต่างๆธรรมววัฏฐานชื่อว่าสภาวะเดียว อวิชาชื่อว่ says, media, groups, uh าสภาวะต่างๆยานชื่อว่าสภาวะเดียวอรติชื่อว่าสภาวะต่างๆปามุชะชื่อว่าสภาวะเดียวนิวรชื่อว่าสภาวะต่างๆปฐมฌานชื่อว่าสภาวะเดียวกิเลสทั้งปวงชื่อว่าสภาวะต่างๆอรหัตมักชื่อว่าสภาวะเดียวคำว่าเดชอธิบายว่า เดชมีห้าคือหนึ่งเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปสองเดชคือคุณสาเดชคือปัญญาสี่เดชคือบุญห้าเดชคือธรรมบุคคลผู้มีเดชย่อมทำเดชคือความเป็นผู้ทุศีลให้สิ้นไปด้วยเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปย่อมทำเดชไม่ใช่คุณให้สิ้นไปด้วยเดชคือคุณ ย่อมทำเดชคือความเป็นผู้มีปัญญาซามให้สิ้นไปด้วยเดชคือปัญญาย่อมทำเดชไม่ใช่บุญให้สิ้นไปด้วยเดชคือบุญย่อมทำเดชคืออธรรมให้สิ้นไปด้วยเดชคือธรรมคำว่าทำเครื่องขัดเกลาอธิบายว่ากล้ามฉันทะไม่ใช่ทำเครื่องขัดเกลาเนคขมะเป็นทำเครื่องขัดเกลาพยาบาทไม่ใช่ทำเป็นเครื่องขัดเกลา อภยบาตเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาถีนมิทะมิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาอาโลกสัญญาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาอุทจจะมิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาอวิเเคปะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาวิจิกิจฉามิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาธัมมะวัฏานเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาอวิชามิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลายานเป็นธรรมเครื่องขัดเกลา อารติไมิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาปาโมชะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลานิวรไมิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาปฐมฌานเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลทั้งปวงมิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาอรหัตตมคือเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในสภาวะแต่ละอย่างสภาวะต่างๆสภาวะเดียวและเดชชื่อว่าสันเลขาทะยานสันเลขาทะยาณ น, นิเทศที่สาสิบเจบสามวิริยารัมพยานานิเทศแสดงวิริยารมพยานปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไปชื่อว่าวิริยารมพยาน เป็นอย่างไรคือปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไปเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นชื่อว่าวิริยารัมพยาณปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไปเพื่อล่บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าวิริยารมพยานปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไป เพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นชื่อว่าวิริยารมพยานปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เลือนหายพิญโยภาพไพ่บู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าวิริยารัมพยานปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหูและจิตที่ส่งไป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 ปัญญาในการประคองจิต ท, ที่ไม่หดหูและจิต ท, ที่ส่งไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เลือนหายพินโยภาพไพบู์เจริญเต็มที่แห่งเนคขมะที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าวิริยรัมพยานปัญญาในการประคองจิต ท, ที่ไม่หดหูและจิต ท, ที่สรงไปเพื่อทำกิเลสทั้งปวงที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นชื่อว่าวิริยรัมพยาน ปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไปเพื่อละกิเลสทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าวิริยารัมภายนปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหูและจิต are, ที่ส่งไปเพื่อทําอรหัตมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นชื่อว่าวิริยารมภายนปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหูและจิตที่ส่งไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เลือนหายพิญโยภาพ ไพ่บูนเจริญเต็มที่แห่งอรหัตมรักที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าวิริยารัมพยานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไปชื่อว่าวิริยารัมพญานวิริยารัมพญานนิเทศที่สามสิบแปด ส9ิอัฏฐสันทันะยา น, นิเทศแสดงอัฏฐสันทัชนะยานปัญญาในการประกาศธรรมต่างๆชื่อว่าอัฏฐสันทัชนะยานยานในการเห็นชัดซึ่งอักเป็นอย่างไรคือคำว่าธรรมต่างๆได้แก่ขันษหอายตนะ 12. บสองท่าสิปกุศลธรรมอากุศลธรรม อพยากตะธรรมการมาวจรธรรมรูปวจรธรรมอรูปวจรธรรมอปริยาปัญนนธรรมคำว่าประกาศอธิบายว่าปัญญาย่อมประกาศรูปโดยความไม่เที่ยงประกาศรูปโดยความเป็นทุกข์ประกาศรูปโดยความเป็นอนัตตาประกาศเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุประกาศชราและมรณะโดยความไม่เที่ยง ประกาศชร า, าและมรณะโดยความเป็นทุกข์ประกาศชร า, าและมรณะโดยความเป็นอนัตตาคําว่าการเห็นชัดซึ่งอัตอธิบายว่าพระโยคาวจรเมื่อละกลามชันทะย่อมเห็นชัดซึ่งอัตแห่งเนคข ม, มะเมื่อละพยาบาทย่อมเห็นชัดซึ่งอัตแห่งอพยาบาทเมื่อละถีนมิทะย่อมเห็นชัดซึ่งอัตแห่งอาโลกสัญญา เมื่อละอุทจจะย่อมเห็นชัดซึ่งอาจแห่งอวิคเคปะเมื่อละวิจิกิจิชาย่อมเห็นชัดซึ่งอาจแห่งธรรมววถานเมื่อละอวิชาย่อมเห็นชัดซึ่งอาจแห่งญาณเมื่อละอารติย่อมเห็นชัดซึ่งอาจแห่งปาโมชะเมื่อละนิวรณ์ย่อมเห็นชัดซึ่งอาจแห่งปถมชานเมื่อละกิเลสทั้งปวงย่อมเห็นชัดซึ่งอาจแห่งอรหัตตะมัก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 ปัญญาในการรวมทำทั้งปวงเข้าเป็นหมวดเดียวกันในการรู้แจ้งสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวชื่อว่าทัศนวิสุทธิยานยาในความหมดจอดแห่งทัศนะเป็นอย่างไรคือคำว่าทำทั้งปวงได้แก่ขันห้าและถึงอปริยปั น, นธรรมคำว่ารวมเข้าเป็นหมวดเดียวกันอธิบายว่า ธรรมทั้งปวงท่านรวมเข้าเป็นหมวดเดียวกันโดยอาการสิบสองคือโดยสภาวะที่เป็นของแท้หนึ่งโดยสภาวะที่เป็นอนัตตาหนึ่งโดยสภาวะที่เป็นจริงหนึ่งโดยสภาวะที่รู้แจ้งหนึ่งโดยสภาวะที่รู้ยิ่งหนึ่งโดยสภาวะที่กำหนดรู้หนึ่งโดยสภาวะที่เป็นธรรมหนึ่งโดยสภาวะที่เป็นธาตุหนึ่งโดยสภาวะที่รู้ได้หนึ่ง โดยสภาวะที่ทําให้แจ้งหนึ่งโดยสภาวะที่ถูกต้องหนึ่งโดยสภาวะที่ตรัสรู้หนึ่งทาทั้งปวงท่านสงเคราะห์เข้าเป็นหมวดเดียวกันโดยอาการสิบสองอย่างนี้คําว่าสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวอธิบายว่ากล้ามฉันทะชื่อว่าสภาวะต่างๆเนคขมะชื่อว่าสภาวะเดียว กิเลสทั้งปวงชื่อว่าสภาวะต่างๆอรหธรรมะชื่อว่าสภาวะเดียวคำว่าการรู้แจ้งอธิบายว่าพระโยคาวจรย่อมรู้แจ้งทุกสัตว์ด้วยการกำหนดรู้รู้แจ้งสมุทัยสัตว์ด้วยการละรู้แจ้งนิโรธสัตว์ด้วยการทำให้แจ้งรู้แจ้งมรรคสัตว์ด้วยการเจริญคำว่าความหมดจดแห่งทัศนะอธิบายว่า ในขณะแห่งโสดาปฏิมักทัศนะกำลังหมดจดในขณะแห่งโสดาปฏิผลทัศนะหมดจดแล้วในขณะแห่งสก่ทาคามิมักทัศนะกำลังหมดจดในขณะแห่งสก่ทาคามิผลทัศนะหมดจดแล้วในขณะแห่งอนาคามิมักทัศนะกำลังหมดจดในขณะแห่งอนาคามิผลทัศนะหมดจดแล้วในขณะแห่งอรหัตมัก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 ทัศนาวิสุทธิยาณ น, นิเทศที่สี่สิบจบสี่สิบเอ็ดขันติยา น, านิเทศแสดงขันติยานปัญญาที่รู้ชัดชื่อว่าขันติยานเป็นอย่างไรคือรูปที่รู้ชัดโดยความไม่เที่ยงรูปที่รู้ชัดโดยความเป็นทุกข์รูปที่รู้ชัดโดย ค, ความเป็นอนัตตารูปใดๆที่พระโยคาวจรรู้ชัดแล้วรูปนั้นๆ พระโยคาวจรย่อมพอใจเพราะฉะนั้นปัญญนะาที่รู้ชัดจึงชื่อว่าขันติญาณเวทนาที่รู้ชัดดยความไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณจากขุขที่รู้ชัดดยความไม่เที่ยงชราและมรณะที่รู้ชัดดยความไม่เที่ยงชราและมรณะที่รู้ชัดดยความเป็นทุกข์ชราและมรณะที่รู้ชัดดูความเป็นอนัตตา ชราและมรณะใดๆที่พระโยโคาวจรรู้ชัดแล้วชราและมรณะนั้นๆพระโยโคาวจรย่อมพอใจเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ชัดจึงชื่อว่าขันติยานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาที่รู้ชัดชื่อว่าขันติยาน ขันติยานานิเทศที่สี่สิบเอ็ดจบสี่สิบสองปริโยคาหานญาณนิเทศแสดงปริโยคาหานญาณปัญญาที่ถูกต้องทำชื่อว่าปริโยคาหานญาณ เป็นอย่างไรคือปัญญาย่อมถูกต้องรูปดยความไม่เที่ยงถูกต้องรูปดยความเป็นทุกข์ถูกต้องรูปดยความเป็นอนัตตาถูกต้องรูปใดๆก็อย่างลงสู่รูปนั้นๆเพราะฉะนั้นปัญญาที่ถูกต้องทำจึงชื่อว่าปริโยคาหณะญาณปัญญาย่อมถูกต้องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาย่อมถูกต้องจากขุ ปัญญาย่อมถูกต้องชราและมรณะโดยความไม่เที่ยงถูกต้องชราและมรณะโดยความเป็นทุกข์ถูกต้องชราและมรณะโดยความเป็นอนัตตาถูกต้องชราและมรณะใดๆก็อย่างลงสู่ชราและมรณะนั้นๆเพราะฉะนั้นปัญญาที่ถูกต้องทมจึงชื่อว่าปริโยคาหณะญาณชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาที่ถูกต้องทำชื่อว่าปริโยคาหนญาณปริโยคาหนญาณานานิเทศที่42จบ43ปเทสาวิหารญาณ น, นิเทศแสดงประเทศวิหารญาณปัญญาในการรวมปัจจัยชื่อว่า ประเทศาวิหารยานเป็นอย่างไรคือเพราะมิชฌาทิฐิเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะความสงบไปแห่งมิชฌาทิฐิเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสัมมาทิฐิเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะความสงบไปแห่งสัมมาทิฐิเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะมิชฌาสังกัปปะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เพราะความสงบไปแห่งมิจฉาสังขปะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสัมมาสังขปะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะความสงบไปแห่งสัมมาสังขปะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีละถึงเพราะมิจฉา ว, วิมุตติเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะความสงบไปแห่งมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะความสงบไปแห่งสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉันทะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะความสงบไปแห่งฉันทะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะวิตกเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะความสงบไปแห่งวิตกเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เพราะสัญญาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะความสงบไปแห่งสัญญาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมไม่สงบไปเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉันทะเป็นธรรมสงบไปแต่วิตกและสัญญาเป็นธรรมไม่สงบไปเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉันทะและวิตกเป็นธรรมสงบไป แต่สัญญาเป็นธรรมไม่สงบไปเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมสงบไปเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีอาจวะเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุมีอยู่แต่เพราะยังไม่ได้บรรลุฐานะนั้นเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการรวมปัจจัยชื่อว่าปเทสวิหารยานปเทสวิหารยานนิเทศที่43จบ 44-49 ชวิวัตยานานิเท ศ, ทานานเทศแสดงยาในการหลีกออก6อย่างปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่ชื่อว่าสัญญาวิวตัตยาน เป็นอย่างไรเือปัญญาที่มีเนคขมะเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากกรรมฉันทะด้วยสัญญาความหมายรู้เพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอพยาบาทเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากพยาบาทด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยาน ปัญญาที่มีอาโลกสัญญาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากถีนมิทะด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีคุณสธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอวิเขปะเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอุทจด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีคุณสธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีธรรมววัฏฐานเป็นใหญ่ ย่อมหลีกออกจากวิจิกิจช้าด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีคุณสมรรธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีญาณเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอวิชชาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีคุณสรธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีปามุชชาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอารติด้วยสัญญาเพราะฉะนั้น ปัญญาที่มีครูสนธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีปฐมฌานเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากนิวรณ์ด้วยสัญญาปัญญาที่มีอรหัตมรักเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวงด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีครูสุนธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาที่มีคุณสมบ ร, รรมเป็นใหญ่ชื่อว่าสัญญาวิวัตายานปัญญาในสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิวัตายานเป็นอย่างไรเพื่อกามฉันทะเป็นสภาวะต่างๆเนคข ม, มะเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงเนคข ม, มะที่เป็นสภาวะเดียว จิตย่อมหลีกออกจากกามฉันทะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตยานพยาบาทเป็นสภาวะต่างๆอภยบาทเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอภยบาตที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากพยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตยาน สีณมิทะเป็นสภาวะต่างๆอารกสัญญาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอารมณสัญญาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากสีนมิทะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตยานกิเลสทั้งปวงเป็นสภาวะต่างๆอรหธรรมเป็นสภาวะเดียว เมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอรหัตมรักที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิวัตะยาน ปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งเนียคลธมะเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละพยาบาทย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอพยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณ เมื่อละถีนมิทะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอาโลกสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละกิเลสทั้งปวงย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอรหัตมรักเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่าจิตวิวัตญาณปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่าญาณวิวัตญาณเป็นอย่างไรคือเมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าจากขุว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่ หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดายานย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกลามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวัตายานเมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าโสตะว่างฆาณะว่างชิวหาว่างกายว่างมโนว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยง จากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาญานย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวตัตญาณชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่า ญาณวิวตัตยานปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมกขวิวตัตยานเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรสละกรรมฉันทะด้วยเนกขมมะเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวตัตยานสละพยาบาท ด, ด้วยอภัยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวตัตยาน สละทีนัมิทะด้วยอารโลกะสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตตญาณสละอุทจจะด้วยอวิเขปะเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตตญาณสละวิจิกิจฉาด้วยธรรมววัถฐานเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตตญาณ ฉลากิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมรักเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมคขวิวัตญาชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมคขวิวัตญาปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจวิวัตญาเป็นอย่างไร คือพระโยคาวจรเมื่อกำหนดรู้สภาวะที่บีบคั้นสภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งสภาวะที่ทำให้เดือดร้อนสภาวะที่แปรผันแห่งทุกย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานเมื่อละสภาวะที่ประมวลมาสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เกี่ยวข้องสภาวะที่พัวพันแห่งสมุทัยย่อมหลีกไป เพราะฉะนั стати, for, ้นปัญญาในสภาวะแท้จึงช <ened> <gedaan> ื่อว่าสัจจวิวัตยานเมื่อทําให้แจ้งสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกสภาวะที่เป็นวิเวกสภาวะที่เป็นอสังกตะสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจะวิวัตยานเมื่อเจริญสภาวะที่นําออกสภาวะที่เป็นเหตุ สภาวะที่เห็นสภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมักย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัตวิโมกขวิวัตสัจจะวิวัตรพระโยคาวจรเมื่อหมายรู้ย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิวัต เมื่อคิดย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเจโตวิวัตเมื่อรู้แจ้งย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าจิตตวิวัตเมื่อกระทายานย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายาณวิวัตเมื่อสละย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวิโมขาวิวัตย่อมหลีกไปในสภาวะแพ้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัจจวิวัต ในขณะแห่งมรดใดมีสัญญาวิวัตรในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีเจโตวิวัตรในขณะแห่งมรดใดมีเจโตวิวัตรในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตรในขณะแห่งมรดใดมีสัญญาวิวัตรเจโตวิวัตรในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีจิตตวิวัตรในขณะแห่งมรดใดมีจิตตวิวัตรในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตร เจโตวิวัตในขณะแห่งมรดใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตาวิวัตในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีญานวิวัตในขณะแห่งมรดใดมีญานวิวัตในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตาวิวัตในขณะแห่งมรดใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตาวิวัตราณวิวัตในขณะแห่งมรดนั้น ย่อมมีวิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรดมีวิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตาวิวัตญาณวิวัตในขณะแห่งมรดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตาวิวัตญาณวิวัตวิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัจจะวิวัตในขณะแห่งมรดมีสัจจะวิวัต ในขณะแห่งมรกนั้นย่อมมีสัญญาวิวัต์เจโตวิวัต์จิตตะวิวัตญาณวิวัตวิโมขาวิวัตชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจวิวัตตญาณชวิวิวัตตญาณ น, นิเทศ ที่44ถึง49จบ50อิจิวิทยานนิเทศแสดงอิจิวิทยานปัญญาในสภาวะที่สำเร็จด้วยการกำหนดกายของตนและจิต มีฌานเป็นบาทเข้าด้วยกันด้วยอำนาจการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและรละหุสัญญาชื่อว่าอิทธิวิทยานเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์เจริญอิทธิบ่าที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์ภิกษุนั้นย่อมอบรมข่มจิตทำให้เป็นจิตอ่อน หมาแก่การงานในอิธิบาทสี่ประการนี้ครั้นแล้วย่อมตั้งกายไว้ในจิตบ้างตั้งจิตไว้ในกายบ้างน้อมจิตไปด้วยอำนาจกายบ้างน้อมกายไปด้วยอำนาจจิตบ้างอธิษฐานจิตด้วยอำนาจกายบ้างอธิษฐานกายด้วยอำนาจจิตบ้างครั้นน้อมจิตไปด้วยอำนาจกายน้อมกายไปด้วยอำนาจจิตอธิษฐานจิตด้วยอำนาจกายอธิษฐานกายด้วยอำนาจจิตแล้ว ย่อมให้สุขสัญญาและละหุสัญญาอย่างลงในกายอยู่เธอมีจิตอบรมแล้วอย่างนั้นบริสุทธ์ผ่องแผ้วย่อมน้อมนําจิตไปเพื่ออิทธิวิทยานเธอย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏก็ได้หรือให้หายไปก็ได้ทะลุฟ้ากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิห่อไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปคลาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะที่สำเร็จด้วยการกำหนดกายของตนและจิตมีฌานเป็นบาทเข้าด้วยกันด้วยอำนาจการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและระหุสัญญาชื่อว่าอิทิวิทยานอิทธิวิทยานัา น, านิเทศที่ห้าสิบจบห้าสิบเอ็ด โสตธาตุ ว, วิสุทิยานานิเทศแสดงโสตธาตุ ว, วิสุทิยานปัญญาในการอย่างลงสู่สัทรานิมิต ท, ที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวด้วยอำนาจการแผ่วิตกไปชื่อว่าโสตทาตุ ว, วิสุทิยานเป็นอย่างไรคือพิสูจ์ในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร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 ย่อมใส่ใจสัทธนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายในที่ใกล้บ้างย่อมใส่ใจสัทธนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายหยาบบ้างย่อมใส่ใจสัทนนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายละเอียดบ้างย่อมใส่ใจสัทธนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายละเอียดอย่างยิ่งย่อมใส่ใจสัทธนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศบุรพาย่อมใส่ใจสัทธนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศปัจฉิม ย่อมใส่ใจสัทนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศอุดรย่อมใส่ใจสัทนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศทักษิณย่อมใส่ใจสัทนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศอาคเนย่อมใส่ใจสัทนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศพายักย่อมใส่ใจสัทนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศอีสานย่อมใส่ใจสัทนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศทรดี ย่อมใส่ใจสัทนิมนิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศเบื้องต่าย่อมใส่ใจสัตวนิมนิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศเบื้องบนเธอมีจิตอบรมแล้วอย่างนั้นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมน้อมนำจิตไปเพื่อโสตธาตุวิสุทธิยานได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิศและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิศอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการอย่างลงสู่สัทธนิมิตที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวโดวยอำนาจการแผ่วิตตกไปชื่อว่าโสตธาตุวิสุทธิญาณโสตธาตุวิสุทธิญาณนนิเทศที่ห้าสิบเอ็ดจบห้าสิบสอง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 จเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารจเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารจเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารภิกษุนั้นย่อมอบรมข่มจิตทำให้เป็นจิตอ่อนควรเกิดการงานในอิธิบาทสีประการนี้ครั้นแล้วย่อมรู้ว่ารูปนี้เกิดขึ้นด้วยสมณสินสี รูปนี้เกิดขึ้นด้วยโทมนสินสีรูปนี้เกิดขึ้นด้วยอุเบขินสีเธอมีจิตอบรมแล้วอย่างนั้นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมน้อมนำจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณเธอย่อมกําหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ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 หรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นจิตน้อมไปก็รู้ว่าจิตน้อมไปหรือจิตไม่น้อมไปก็รู้ว่าจิตไม่น้อมไปชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่าจึงกล่าวว่าปัญญาในการอย่างลงสู่วิญญาณจุริยาที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียว ด้วยอำนาจความผ่องใสแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเพราะการแผ่ไปแห่งจิตสามประเภทชื่อว่าเจโตปริยานเจโตปริยานานิเทศที่ห้าบจบ 53. าปุกเพนิวาสานุสติยานานิเทศแสดงปุกเพนิวาสานุสติยาน ปัญญาในการกำหนดทำทั้งหลายที่เป็นไปตามปัจจัยด้วยอำนาจการแผ่ไปแห่งกรรมที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวชื่อว่าปุกเพนิวาสานุสติยานเป็นอย่างไรคือพิสษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร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 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะนะโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนี้เธอมีจิตอบรมแล้วอย่างนี้บริสุทธ์ผ่องแผ้วย่อมน้อมนำจิตไปเพื่อบุกเทนิวาสานุสติญาณ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัตกรรมและวิวัตกรรเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเศรษสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติแจพภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึก ช, ชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น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 แสดงทิประจักขุยานปัญญาในการเห็นรูปนิมิต ท, ที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวด้วยอำนาจแสงสว่างชื่อว่าทิประจักขุยานเป็นอย่างไรคือพิสูจน์ในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขารเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารพิสษุนั้นย่อมอบรมข่มจิตทำให้เป็นจิตอ่อนควรแก่การงานในอิทธิบาทสี่ประการ น, นี้ครั้นแล้วย่อมใส่ใจถึงอาโลกะสัญญาตั้งสัญญาว่าเป็นกลางวันมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มหอ่อ เจริญจิตให้มีแสงสว่างว่ากลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นเธอมีจิตอบรมแล้วอย่างนั้นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมน้อมนําจิตไปเพื่อจุตูปปาติยานเห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติกําลังเกิดทั้งชั้นต่ําและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่ามูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวัชีทุจริตและมโนโทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวัชีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะ